เรื่องภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อมพวกภิกษุผู้ยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อมต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อมภิกษุทั้งหลาย พึงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้พิกูุรูปหนึ่งแต่งตั้งพิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้